มันต่อไปโลกเนี่ยครับว่ามันเคลื่อนไปไม่มีการหยุดยั้งเนี่ยนะสังขารทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหยุดย่อนความหมุนเวียนของวัตฏะเป็นไปอย่างนี้แหลเนี่ยนะเพราะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงแทนที่จะตามเห็นเพื่อสร้างวัตฏะว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็เห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นไม่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขัน นะนในชั้นแรกเลยไม่ติดในรูปในรูปอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วใช่เพราะไม่ติดในกรมมพบกรมมาพบคือพบเป็นที่ครองใจครองใจด้วยรูปเนี่ยนะท่านก็พิจารณารูปทั้งมวล ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราและไม่ติดในนามอีกนามย่าว่า น, นามธรรมดาเลยมหากรุสธรรมดาก็ไม่ติด ระดับปฐมฌานทุติยฌาน ต, ต, ตัติยฌานจตุตฌานก็ไม่ติดเพราะตามเห็นว่านามขันทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกความเป็นอนัตตาของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนะนามขันทั้งหลายเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอย่างรูปฌานอารูปฌานของอ า, าลารดาบทอุตกระดาบ ท, อ ต, าาบทตอนนี้อยู่ไหมฌานของพระพุทธ เ, เจ้าทั้งหลายเที่ยงไหมไม่เที่ยง ก็มีอะไรเที่ยงมั่งแล้วขอชีวิตของพวกเราทั้งหลายจากเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเนยนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะเมื่อมีความสุขจิตใจจึงไม่สยบอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความสุขพวกนี้จึงคิดจากแคล้ววัดคิดอยู่เหนือเหนือแค่เรื่ออะไรโล ก, กุตรแะแปลว่าเหนือโลกพระมองเห็นความสุขความทุกข์ทั้งหลายเป็นโลกเนี่ยนะเป็นโลกโลกแปลว่าสลายทั้งสุขก็สลายทั้งทุกข์ก็สลาย จิตใจต้องการยกออกจากโลกพ้นจากโลกเรียกว่าโลกรุตระเนี่ยนะโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกแต่ไม่ได้แปลว่าหลุดโลกอ น, นะไอหลุดโลกแบบแหมว่าเลยเถิดเนี่ยนะพวกเลยเถิดเนี่ยไม่ใช่หลุดโลกแบบนั้นเนี่ยนะมันก็ว่าฝึกเจริญคุณธรรมเนี่ยท่า น, นผู้ที่เจริญคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้จึงไม่ติดแม้แต่ในสุขไม่ติดแม้แต่ในทุกไม่สยบอยู่ภายใต้อำนาจของความสุขถึงมีความทุกข์ก็ไม่รำพึงรำพันเพราะพวกนี้มีความ ชัดเจนชัดเจนในข้อปฏิบัติและเป้าหมายอะ น, นะชัดเจนในข้อปฏิบัติคือกายภาวนาและจิตตาภาวนาทั้งที่เป็นสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาและเป้าหมายล่ะเป้าหมายก็คือทาเป็นที่ดับความโศกทาเป็นที่พ้นโศกเนี่ยนะทเป็นที่สิ้นตัณหา ทำเป็นที่คลายกําหนัดธรรมที่ระงับเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่กเกษมเป็นธรรมที่ปลอดภัยพวกนี้ก็เป็นชื่อของพระนิพพานเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกนี้จึงทุ่มเทในการปฏิบัติโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเนี่ยนะจึงไม่ร่างกายเพราะรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าต่อไปคืออะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าทหารที่เห็นชัยชนะอยู่ข้างหน้ากลัวตายไหมพวกนี้โดยมากไม่กลัวตายเนี่ยทุ่มเทในการรบอย่าง เต็มที่เพราะมองเห็นชัยชนะที่มีอยู่ในข้างหน้าผู้ที่พิจารณาจะ เ, เห็นภัยในวัตฏะเห็นว่าการออกจากวัฏฏะเป็นความเกษมปลอดภัยเนี่ยนะพวกนี้จึงทุ่มเทนในการภาพเพียรพยายามไม่ติดในดอกไม้ริมทางว่างั้นเนถะไม่ติดในสวนหย่อมระหว่างทางเคยเดินทางแล้วไปติดดอกไม้ระหว่างทางบาง้างไหมเห็นไหมเขาไม่ติดหรอกเพราะเขาเห็นข้างหน้าต่อไปเนี่ยคืออะไรก็นบ้างกันเข้าใจในเป้าหมายแล้วก็จุดมุ่งหมายเพันในพระสูตรใน มหาสัจกะส่วนพระองค์จึงบอกว่าความสุขในปฐมฌานทุติยฌ า, านตัติยฌ า, านเจตุทะฌานพระองค์ก็ไม่ไม่มีจิตใจที่เรียกว่าสยบหรือความสุขเหล่านั้นก็ไม่ครอบงําจิตเลยหรือแม้แต่ระลึกชาติได้ความสุขที่มาจากระลึกชาติก็ไม่ครอบงําจิตของพระองค์เลย หรือปัญญาที่ไปมีอพิญยาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยนะความสุขขณะที่มีปัญญารู้เห็นสัตว์เกิดตายความสุขเหล่านั้นก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์เลยหรือแม้แต่สุขที่เกิดในระดับโลกุตระความสุขเหล่านั้นก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์เลยเพราะอะไรเพราะไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยอวิชชาในหน้า1 2ึ มหาสัจกสูตรเนี่ย น, ะ, นะข้อสอ้ออขอ้อกล่าวว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมไปเพื่อน้อมน้อมปัญญาไปเพื่อเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นสัตว์ตายสัตว์เกิดเนี่ยนะเห็นจุติปฏิสนที่เห็นการเคลื่อนและการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นมีทิพยจักรสุอันหมดจดวิเศษล่วงหรือหม่เพราะว่าพิเศษกว่าจักรสุของมนุษย์เกินกว่าวิสัยของมนุษย์เห็นหมูสัตว์ผู้จุติคือตายอุบัติคือเกิดเลวเพราะสัตว์ที่เกิดเลวเนี่เพราะอะไร<ม>เพราะโมหะนําเกิดจึงเลวสัตว์ผู้ประณีตเพราะปัญญานําเกิดจึงประณีต ผู้มีวั น, นะงามเพราะความไม่โกรธนำเกิดผู้มีผิวพรรณสามเพราะความโกรธนำเกิดผู้ที่มีความสุขอาจเรียกว่าได้ดีกับตกยากพวกที่ได้ดีเพราะความไม่โลภนำเกิดพวกที่ตกยากก็เพราะความโลภนำเกิดเนี่ยนะหมายว่าถ้าอโลพะอะโทสะโมหะนำเกิดทำให้เป็นผู้ที่ประณีตมีผิวพรรณงามและได้ดีถ้าผู้โลพะโทสะโมหะนำเกิด <S <S เลว หิวพรรณซามแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะพระองค์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ว่าอย่างไรนอสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจติเตียนท่าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิทากรรมด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะ เพราะอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนะรกนั้นและยินเสียงหมาเห่าคลองกันนึกถึงเออเนี่ยทำกายยุจริตรวจีทุจริมโนทุจริตมานะ้าแมลงวันบินผ่านไปเขาเออเนี่ยเพราะผลของทุจริตคิดอย่างนี้บ่อยหยุงบินมากวนเออเนี่ยเพราะทุจริตแท้แทเนี่ยนะงูมไปมาหรือว่าได้ยินเครื่องงูเรื่องนกเรื่องนูเรื่อง เสือช้างหมูหมากาไกา่ก็ช่างเถอะนี่เป็นผลของทุจริตกรรมถ้ามันไม่ทําชั่วมันเป็นอย่งงางนั้นโรคเนี่ยนะนะเรานั้นฉันใดเขาก็ฉันนั้นเนี่ยนะหมายก็ว่าใครก็ช่างเถอะถ้าทําชั่วก็เป็นฐานะที่จะมีได้เนี่ยนะนะเพราะกายทุติิตบัจบจิทุจริตมนโนทุจริตให้ผลเป็นความทุกข์อยู่แล้วส่วนฝ่ายสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความดีทางกายวาจาและใจเนี่ยนะ ไม่กล่าวติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิทำกรรมด้วยอำนาจของสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะก็แสดงว่าพวกเรามาอยู่ในสุขตินี้ก็เพราะผลของสุจริตทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเอแล้วสุจริตเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วผลบุญจะเที่ยงไห ม, ไมเอาแล้วทไงต่อก็ทาบุญใหม่ ก็ทําบ so mm ุญใหม่เนี่ยนะเผื่อจะได้พ้นจากความเกิดและความแก่เนี่ยนะโอ้ยทบุญเขาบอกบางคนเขบอกโอ้ยเขาอยากกันิพ้ผ่านอย่างเดียวบอกว่าทาให้มันเกิดเป็นมนุษย์ได้ชาติหน้าก็บุญหนักหนาแล้วว่างั้นนะนะบางคนบอกโอ้ยเราอยากจะสวรรค์เหลือเกินบอกว่าเอากรรมบทดีไหมเทวธรรมดีไหมพรหมิหารธรรมดีไหมอริยะธรรมดีไหมถ้ามนุษยธรรมไม่มีเนี่ยนะโอ้ยมนุษย์อะไรมาเกิดเนี่ยนะ ถ้าเทวธรรมไม่มีไม่เกิดเป็นเทวดาได้ยังไงพรา ม, มิหารธรรมไม่มีพรหมโลกจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่มีอริยธรรมคือโพธิปักจธรรมบริบูรณ์บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันก็เห็นเลยหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมใช่ไหม เรามีที่พจักษุหมดจดล่วงจักโุของมนุษย์เห็นสัตว์ผู้จุติอุบัติเลวสามประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันณสามได้ดีตกยากรู้ชัดซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้นี่เป็นวิชาที่สองในมัชิมยามแห่งราตรีเราได้บรรลุวิชาที่สองกำจัดอวิชาเสียได้วิชาเกิดขึ้น กำจัดความมืดเสียได้แสงสว่างก็เกิดขึ้นสมกับบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทํากิเลสให้เล่าร้อนมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเข้าถึงอยู่อคิเวสนาะความสุขระดับอภิญญาเนี่ยนะอภิญญาที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยเป็นความสุขระดับสูงมากเลยเนี่ยนะถึงเกิดขึ้นแกเราอย่างนี้ก็ไม่ครอบงําจิตของเราตั้งอยู่ คือคือหมายคก็ว่าอย่างแบบแบบในโลกเนี่ยนะถ้าใครมีข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีทั้งมวลอยู่ในมือหมดอยากจะดูอะไรก็ดูได้เหมือนอยู่ในกํา ม, มือทั้งหมดเนี่ยปกติถามว่ามีความสุขไหมโอ้ยส่วนใหญ่ก็ติดอยู่แล้วใช่แต่พระองค์บอกว่าเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยนะหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมทั้งหมดประสงค์พระองค์ประสงค์จะดูที่ไหนอย่างไรเมื่ อ, อไหร่ดูได้ทั้งหมดเนี่ยนะปกติเนี่ยแม้ใครที่มีแบบอะไรในสมัยใหม่ใครเอามีอะไร มีพวกจานดาวเทียมรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับโลกนี่ก็สยบอยู่ตรงนั้นนะใช่ไหมแต่นี้พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะไม่สยบติดอยู่ในความรู้เหล่านั้นเลยถึงจะรู้เออก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงอ่ะนะไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะมีกายะภาวนาคือมีวิปัสสนานั่นเอง เรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสมีจิตอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานยานในความสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะเลอวิชชาสวะเรารู้ชัด ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านี้ทุกขนี่ยนะนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขรู้ชัดตามความเป็นจริงอีกว่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะทั้งหลายเรานั้นรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอริยสัจสี่อย่างนี้นะด้วยอริยมรรคยาน โซดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกา ม, มาสะวะด้วยอนาคามีมักหลุดพ้นจากภาวะสวะอวิชชาสะวะด้วยอรหัตตมักเมื่อหลุดเพลนด้วยอรหัตผลก็มียานอย่างรู้คือมีปัจเจเวกอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วปัจเจเวกขณะยานก็เกิดขึ้นอีกว่าปฏิสนทิสิ้นแล้ว พรมจรรย์คือโสดาปติมัคสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมัค ก, ก็อยู่จบแล้วกิจกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมัคเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอรหัตผลเช่นนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปอักิเวสนะวิชาที่สามเราได้บรรลุในที่สุดแห่งราตรีกาจัดอวิชชาเสียได้วิชาได้เกิดขึ้น กำจัดความมืดเสียได้แสงสว่างก็เกิดขึ้นสมกับบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิตอคิเวสนะสุขเวทนาถึงป่านนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่เครียกว่าโลกุตระจิตก็ยังไม่ครอบงำจิตใช่ไหมเพรา ะ, ะรเพราะไอ้คำว่าครอบตัวนั้นเนี่ยครอบด้วยตัณหามานะและทิฏฐิไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะและทิฏฐิของพระองค์อีกต่อไปเนี่ยนะ อันนี้ก็ถือว่าจบที่อรหัตมรัคอรหัตผลอันนี้มาขึ้นอนุสนธิใหม่อนุสนธิให ม, ใหม่ดูในอัตถกาธาน่าหนึ่งร้อยสี่บเอ็ดนี่จะเห็นชัดนีนะว่าขึ้นอนุสนธิใหม่มาอย่างไรในหน้าหนึ่งยสี่เอ็ดย่อนหน้ากลางบอกว่าอภิชานามิโผปนาหังอันนี้เป็นอนุสนธิที่แยกออกมาต่างหากได้ยินว่า อนิครณสัจจการนิครณคิดว่าเราทูลถามปัญหาข้อหนึ่งกับพระสมณโคโดมพระสมณะโคโดมตรัสว่าอคิเวสนะเมเทวดาแม้อื่นอีกก็ถามเราเอคิเวสนะเทวดาแมื่อื่นอีกก็ถามเราเมื่อไม่ทรงเห็นที่สดตรัสอย่างนั้นเพราะพระองค์มีความเกลี้วหรือเอพระองค์พูดไปพูดมาโกรธหรือเปล่าเนี่ยนะ ค, คือคือนึกไปนึกมาเอพระพุทธเจ้าโกรธหรือเปล่าคุยกับเราเงี่ยนะคือไอความที่เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมส่ในพระพุทธจเจ้าเป็นคนที่ระแวงแล้วก็หาเรื่องต้องการจะมองเห็นความพลาดของคนอื่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยนะนันก็เลยเอยโกรธอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็เลยว่าอัิเวสนาะเมื่อตถาคตแสดงธรรมอยู่ในบริษัทหลายร้อยแม้คนหนึ่งที่จะกล่าวว่าพระสมณะโคดมกิ้วก็ไม่ได้มีเนี่ย น, นะคือเสียงเป็นต้นเนื้อหาที่แสดงไม่ได้พูดแบบคนโกรธไม่ได้พูดแบบคนเครียดหงดเหง็ดนะนะ อันหนึ่งตถาคตแสดงธรรมแก่ชนเราอื่นก็เพื่อประโยชน์แก่การตรัสรู้พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่การแพงตลอดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานมันในหน้าหนึ่งร้ยี่เก้าข้อสี่้อยสสิพระองค์ตรัสว่าอัคคิเวสนะเราแลเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย เ, เรายังจำได้ ว่าคนหนึ่งๆสำคัญเราอย่างนี้โดยแท้ว่าพระสมณะโคโดมปรารบเราทีเดียวแสดงตามคือทุกคนเนี่ยนะที่ฟังธรรมจากพระอดพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าพูดกับตัวเองคนเดียวเหมือนอะไรเหมือนเคยชมจันทร์ตอนกลางคืนไ้ยเหมือนดวงจันทร์นี่ส่องให้เราดูคนเดียว นนะเหมือนกันฉันใดพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมก็เหมือนกันพระองค์แสดงธรรมกับบริษัทจะมากขนาดไหนผู้ฟังสำคัญว่าเหมือนพระพุทธเจ้ากาลังนั่งพูดกับเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะอาคีเวสนะในข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นอย่างนี้ว่าตถาคตแสดงธรรมแกเนเวนยศัต์ทั้งหลายในนั้นโดยอาการอันชอบแท้ในที่สุดเป็นการแสดงธรรมเพื่อ การรู้แจ้งคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมด้วยเหตุผลอย่างอื่นแต่เป็นการแสดงอย่างถูกต้องเพื่อตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะ